คนนั้นเขาเรียกว่าปัญญามัญญาสมถะป้องกัออนนด้วรทั้งห้าอย่างไม่เกิดขึ้นไม่รุกรวนในดวงจิตนะให้จิตได้รับความสำราญในพระทัยนะนั่ น, ใ, น, น, นให้สนใจให้มากลงหรือเป็นเรื่องใหญ่นะให้สนใจเรียกว่าสมถะวิธีนั่นสมถะมิสมถะวิธีมาแล้วผลใหญ่เกิดขึ้นข้างหลังนัน ข้างหลังนะข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าที่ผ่านมานะคนใหญ่อันไนเนะดคอจิตสงบเนดะน่ยจิตไม่เดชานภาพเนะด้จิตมีอำนาจเนดะ้อน่จิตไม่ฟุ้งซ่านเะดิอนะม่จิตมีลัทธมไมเปล่งปล่งนะเนี่ยอบาสกอุมาสิกาตุนเต้นกันมากคนมากะนะ เปลีนปลงแล้วเวลาสมัยน่ะอำนาจใหญ่โตขึ้นมานะนั่นนีนสมถะวิธีนะนั่นีแบบไม่ได้ชาลภาพ ท, ทั้งขนาดเลยเถอน่าสมถะวิธีนะ่ะส่วนนปฏิภาควิธีน่ะน่ะเคือหมายความมักเสกออกกลางกายเสดออกเห็นน่ะสุภาเนี่ยเห็นกด็ดกนะนั่นเสกออกเห็นกด็ดกสมองอยังไง ก็ดูเขาอย่างไรใสกออกนะนั่นแล้วเราไม่เห็นเช่นนั้นนะนั่นเราไม่เห็นเช่นนั้นเราไม่เป็นปอยเช่นนั้นกะประมาณเอาซก่อนเพดูเป็นเช่นนั้นนั่นดาวเอาะก่อนนะข้าก็เลยซะก่อนนะนั่นทำทำนะก็ดูเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเพียงนะทไม่อยๆทำทุกวันทำมาทุกวันทุกวันนะ ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนะอ้าไอ้ความรู้ความฉลาดเลยตอนนี้นะกวางขวาง ม, มาพิษยาณนะมาลุกสิ่งสุขคุมนะนั่นเท่าข้าวข้ า, เาวเสียก่อนนะนั่นการบ่ม ม, มาเยอะเดามเช่นก่อนนะแต่ทำมา ก, มากเลย ไอตอนไม่มันหายไปได้ความลูกจิ้งลูกจิงเห็นจิงเห็นเห็นจิ้งใช่ไนมะเห็นก็ลูกจิ้งใช่นะใช่ไหมเขาเรียกว่าปฏิภาคมิตรเนี่ยแม่หน้าพฏิภาคมิตรเนี่ยสกกดเห็นหน้าสภาเห็นอะไรนนนิพิยายคนเมืองไหนที่เกิดของเรา ย่าก็ไม่มาเกิดอีสเดาจะไปทุกขานสเดาน่ะมันทุกมากมันชาทุกชีวิตทุกปาทุกนะนั่นวตฏะหนึ่งวตฏะหนึ่งไม่เทเล่นนะเรากอดเราตายกอดเราตายนะความโลภ น, นะไอ้น้ํำตานะออกมานะยิ่งกว่าน้ําำหาสมุทรทั้งสีไม่หายไปนะนั่น ทองลลกตายหรือผัวตายเมียตายทุนเลยนะของรักตายนะนะลองให้ฮักกันนะนะนั่นแะ ม, ม่เนี่ยสะสมไว้เป็นสีทองหาสมุนไิรดามทะเลนะนะนั่นแะม่นะขงขนาดนั้นวัตตะความว่นะไม่มีตนไม่มีปลายนะนั่นครับนแม่ระวังที่องค์สมเด็จพระ พ, ระพุทธพาเ็ไม่ชีวิตอยูนั้นเนปะ็นขนหัด มันพามเป็นกุศ์นะก็าเป็นพา น, นะนพมาสารเศรษฐีมาสารพานแท้สุนะพากันเต่นออกจากตระกู ล, ล้วเห็ น, น, หนด้วยนายในตอนนี้นำะมาบวด น, นะทรงภาก า, าคนะพนะีพักนะเดินพระงนะพระยุดาอาพิปุจกกับกรรมฐานห้านะให้สำเร็จนะนั่นเวลาออกบวชนะหาว่าไม่ออกบวช น, นะออ น, นะนน ธรรมะขององค์ฉันเน่ยพระพเมรภาพพิสาธนานี่ยไม่สำเนตแต่พาเนนแม่เนี่ยแม่รหัสขสมเนมถึงอรหันไปนะคือคนนะชุบหอธนาสำเ็จอรหันฉันติมาดสำเนตอาหาพระทีญเนี่ยนั่นและเพ่อนีะเทวยของพระยาธิปิศาณนางเข้มมนสาวอว่าคณะอของพู้เจ้า สำเร็จในการนั่งนั่นในการนั่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์นะตอนนั่นองค์สําเร็จมาพมุทธภาพเขาเรียพรกยพยาสุสานเฉลิมมาคุยกับพระองค์นะเวลาไดดังแข้มมาแล้วสเร็จแล้วนอรหันต์แล้วไม่ที่นั่งแล้ว น, ะน่นนวนะพระพองคมาหมาบดเชื้อจะให้ดีชีวิตตอบไว้จะให้ตายเพร่อเกิดวันนะ หาว่ามไม่เริ่มหมดแล้วตายแค่ไหนเก็ดวันนะขณะเริ่มดแล้วนะมือือตลอดไปถงถงเป็นเทรีเทลีนะเนะียตอนนั้นที่ยาที่สารทรุบๆยาขอให้วงราเทีนะเทวีเรินะ่ม ห, หมดตากคน เ, เป็นเทลีนะคุณโยคะนะีนะ่ยแม้ฉันไม่ก็ได้ทมทำแล้วไม่ได้ดูสาเร็จพระถินเนนะ เครอหัสเขาสําเมร็จมากมายอมืมากมายโซนาวันมากมายสกิลสาขาก็มากมายอันนข า, าก็มีไม่มากอลาฮาน่าดีก็ไม่มากนะไม่มากมือนพาะเหมือนเดนเนี่ยนี่นเตุนอนคอยต่าง อ, อกต่างใจไม่มีทุ่งแล้ว ก็ไม่ภาวนาพะโทโธนะไม่มีทุพเล้วไม่มีเรือนองเกิดเท้านั่นยึดตกีกาีใหญ่เป็นโลกกำพร้านะไม่มีพอนะนั่นเวลาภาวนาพุทโธพุทโธไปเรืรร่อยนะคงคันดูมาอุมาสโกนะไปหกไร่ผมเพื่อามไปสองนะผู้ชายนะมง้กุลาธมานเของผยเจ้านะยศใหญ่เนะี่ย เอามาพิการนาธิดาเขาเป็นเจ้านะนั่นท่านทั้งสองลายเดินน่ใจสงนะเป็นลูกกสัตว์นะลกขององค์สมเด็จพระพิโรภานะนะ น, นั่นสมนาโคดมตะกอนนะพระองค์เป็นเจ้าชายฤทธาดาคมาณเป็นกษัตริยนะ์นะั่น จิตสะอาดจตสะอาดนะจิตนะใจสูงมากกัสะอาดควรเก็ไปสวรรค์พ่านใจสูงมนะากะไอพวกนี้นะนัะ่นจิตสะอาดกายกายสะอาดวัวจะสะอาดน้ำใจสะอาดควานหนาควานคนสวรรค์ะ น, นะสะวรรค์นนะนัะ่นในอุปการังให้พระก็เตียงทองเตียงทองให้สวรรค์กันนะ เตียงทองเตียงทองสะอาดดีนะแนนคนที่จะขึ้นเตียงทองนอนกลืนอนองเกลือกได้นะ่ะเอาอุบาสิกกาอสําคัญมากคนะือไอ้พวกนี้นะเป็นโอรสเป็นมงกุฎราชมารินทินานะขึ้นเตียงทองได้คนะ่ะ เพราะไอ้วงในมลิบูลได้ทานโดยศีลนะโดยภาวนาอบรมจิตนะจิตไม่สุกนะจิตสะอัดนะนั่นี่นะคนต่ําน้าขึ้นไม่ได้รำไม่ถึงนะทานไม่มีสศีลไม่เีภาวนาไม่ดีชินไมเอื้มเตียงทองคนไม่ถึงนะนั่นวาทนะต่ำเนี่ วันน่าได้แต่อุบาสกอุบาศิการกิจสะอาดจะขึ้นเตียงท้องนอนนะนอนนกริ่งนอนเกลียกได้นะนอนนต่ำไม่ได้คนไม่ฉาดทีนะนอ น, นี่ลนะเรากดมาในโลกนลย น, นี่มาในโลกมาขาขายนะขาดทุงขาดทุนใหญ่หรวยก็รวยใหญ่ในครั้งนี้ค่ ขาดทุนนะ่เครม่อหมายความเป็นมิจฉาทิถินะมาเทียตนันเองแล้วนั่นประการเดงเรือ่อมาได้พบได้ชาดได้นะเป็นคนกะนะ้มพระอนาถาผุ้เกนนะนะไม่มั่งไม่มือนละนั่นหะาจินชาวจินเย็นนะนั่นะเพราะพุนไม่มีการบำเพ็ญฐานสิ ในโบราณคาทุนหน้าลักษัะเป็นคนทขเสนนะมีลูกมีเมียมีหัวก็ไม่ประกอบชลาแน่นไม่มาก็น้าหัวนั่นพอาช้าเรายส่ศารเขาพูดเช่นนั้นมีหมาก็มาที่เหินนะมีควายควายเขาเลตลอดนะมีเมียนะมีหัวนะ ร่างกายไม่ประกอบเป็นคือถูกมุดถังไปแชลแข็ง น, นั่นใอ้ายพวกห้คนุคนทอเสีลคนต้องศเสนะขาดทุนนั่นประการหนึ่งในหัวใจของเธอน้ไม่ได้เาวนาพุทธนะใจวางนะนั่นแจอนาถานะนั่นไม่มีที่พึ่งแจ้วนะ่นเธอขอมานะนั่นขาดทุนขาดทุ น, นัีน ความร่รวยได้ที่น่คํมหมายความว่าเกิดมาแล้วเป็นสมมาทิฏฐิอ้วนเฟืองเนี่ยสาสาทนวว่าคำศมพท์ของพาะพุทธเจ้าเนี่ยพรุทธเจ้านะน้อยคองไว้แล้วพระกายไม่อกนะพองบว่าทานนะทานนะมั่งมือ ส, สีสกนะเกิดมาได้พบได้ฉาดใดเกิดได้กองเงินกองทองนะนั่น ทเนดีแล้วลูกหลานผัวของานเมียของงานลูกเต่าล้นล้านงานเนี่ย่างมากรวยงงามนะ น, ะนะั่นเมียเทีสนนะกูฉุนฉุนแต่งแต่ง้คึกๆ ด, ดูดิว่าลูกหลานคนนั้นคนนั้นจบหลางสวนเมียคนนั้นผัวคนนั้นอ้าวพ่อกูฉุนเขาเลยสร้างมาแต่ก่อนเขาลูกลางสวนนะแต่งนะย นะมัดพูดก่อช่นนานเช่นนั้นเนะลยามาการณ์ภาวนาพทุพโทโนะพุทโธน่ยองสมเด็จมาพุทเภาพไม่ใช่คุณโอชิลาทนะนั่นโอบลิกูนบองเขามาในดวงจิตแล้วองสมเ็จมาพุทเภาพประทับอยู่ในจิตคลายนะนั้นติดแปลงพลังนะจิดเปลงพลังนะนั่น ในรลชสมัยนะสงบนะยเยียกเยี่ยมที่สุดนะนั่นพระผู้องค์ก็ประทัพอยู่ม่ทิ่นได้แล้วดีนะอมมาศกอมบาทิ ก, า, ทกานะาจะคลดนอกสุนนอกทำอายอายพระองค์นะนั่นก็บชื่อ ต, ต้องตอบชาตินวัตคัมภีร์ของผระเจ้านักสืบนะนะนั่นไม่ น, นนะค ข, ขวยใหญ่ด้วยใหญ่ไง นี่นะเรามาค้าขายล้าเกิดมาเนะี่ยเกิดมาค้าขายรวยก็รวยใหญ่ในครั้งเลยขาดทุน่าขาดทุนใหญ่ในข้างเล ย, ย น, นนะ่ความมั่งรวยความขาดทุนไม่ดูน่าครเ น, นี่นะ่นะสำคัญมากเลยบนการนำเสริมมรดไทนะท่า น, นามนมัดอักวังมนดเสียสูรมุดเป็นลอตีสุต เ่าจึงเนละาจัง น, นะนั้นมนุษย์นะนั่นถ้าอินสูมนไม่ได้อินทรพยมยไม่ยากทาั้งหลายสมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นะ่ะเลอที่สุดนะบบนั่นเลือกอเอาเป็นผู้เจ้าแมวอินทรพเป็นผู้เจ้ามนุษย์นะมนุษย์มันขาดพอทุกอย่างพอพิพกพอกล้านะนั่น มนุษย์ไม่เคยค้ากับแม่ครัวแกงนะมันพอพุสูจก์ือมันเอ็ดอร่อยมากที่สุดนานที่สุดเนี่ย น, นี่แหละเรานายเป็นชาติมนุษย์และอัปรรยันมะนุษสูนนดนะให้ไม่โมบูลเรานาทานให้บริบูลเผานาพุทโธให้มิบูลให้กิติสงฆ์นนนนะนลฉันได้ก็ดี หอตังโอตังแค่ให้ม า, าการทอนาะต้องช้าวิธีเลเท่นะันะุกทอุกทนนะนะคุณนาชาทิทรท่านวาสาส ม, มาสัสมมาลนะหานะมหาดีกา่างกันนะธรรมยุ ท, ทนะท่านจาั น, นท่านเเอาวัโทไปเดียวนะนะ พทอพลดถอพท่าพรวนโลเนี่ยัานโลกของอวัยวะชังขานทุกสวนะนั่านยังไม่ใช่ว่าน้อมอา พ, พระทู้ข้าามาไม่ได้ธรรมะอยู่ในตัวเซบ น, นะแน่นว่าอุาบาสกอุบาสกาครั้งธฏการไม่กล่าวถึงอันุกลุบน้อมขามาน้อมออกไปใหม่เช่นนั้น บริบูรแล้วร่างกายบริบุรโหลดแล้วนะนั่นตาคนโหลดอายุวะคนโหลดแล้วนะ ม, มันเพียงพอทุกอย่างแล้วนะขอให้ทำบำเพ็ญทานเสมาเสภุกทุกวันให้รักษาศีลห่านะนั่นไม่พร้อมมินเลียนอนอนนํากันนะรักษาศีลห่านะนั่นแล้วเท่านี้ ผมยังไม่เล่นั่นยังไม่เลยเขาปฏิจจการช่วงข้างโซคารซะก่อนึกษาชสิ้นปนะเขาเรียกว่าเด็กขมะนะเด็รขมะนะนะสิบห้าท่นานไม่กลา้านะ่านนาวิสาขาเนี่ยเอาผัวออกลกออกลยอนะืแต่บนาวิสาขาเนี่ยวันที้าเนี่ยท่า น, ะนะนขาลศาสิบแปดวันะนะที้าเนี่ยเป็นธรรมดานะั่น ไม่มาคอยสนใจให้ยายมากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ยันยับยันชาที่สะอาดนั้นพวกพอ พ, กพอุกทอมไม่เคยคล้ายก็บสโมเลยนั้นจอกผ่าที่พวนให้ขาวนั่นผ้พาพรวนนั้น มัน น, ะน่านาฆ่าโทรสาพท์มืห้ของเราเนะี่ยมันหอบมาเต็มก็ฉาบมันโดกันนานมันของดำนะ น, นั่นเปื่อนผ้าขาวสะอาดกับ ข, ของดำไม่ได้นะเจะ้าพอาวอให้ขาวสะอาดได้ใช่ที่ไหนนะเอาพ้าใส่สมาัาิเอานานใส่นิดหน่อย แล้วเอาสมุฟอกใย้ดีใหนื้อดูเนื้อนะนั่นไม่ได้ลายนาทีเท่าไหลเที่ยวนะน้ำดำไหลเมืตามใครเส้นะนันแล้วพัวมีผ้าขาวนะหัวใจขาวสะอาดนะสะอาดแล้วหัวใจสูงแล้วก็ทบฉัววันไม่เลืยก็ะทบพระมีผ้าไม่เลืยกี่สะอาดนะั่น คนตีคนเตียงทองเขาูญุญยาวได้นะนั่นคนช่วปลกไม่ได้คนมาเทียตนใด น, นะนั่นคนโทษเซ้นไม่ได้คนไม่พายนาพทุทธทอมไม่ได้คนเหล่านี้คุณต่ำหินหนะเปลวต่ำหรือเอื่อไม่ถึงนะ่นนมันไกลสูบาสุกุมาธิกาุกามันขึ้นได้นะนั่น องได้เห็นหนะ้าทินดานะมกุกุฎาุ ม, มานอนเตียงทองแหมผมเปล่มผตาไทยมากเลยนะนั่นคะ่อยพวกนะี้มันออกจากอบายภูมิแล้วนะั่นไม่ไม่ตกในโลกแนะ่ไม่เลวเฮงมองหายนะถ้าอะไรพะยังมมานไม่ได้ทัน ก, กรรมนะไม่ขาดูตีไม่ทุกในแทงนะนั่นะนะมันพ้นแล้วจากอบายภูมิมันสัยนะเนะี่ หรือว่าอาตมาก็พวยูบ่อยว่าพุทธองค์ช น, นังกระฉามือนะมานะใครถึงหนทางโคตรหน้าที่บายพุ่มทัสสีนะจะไจะมียตตาไปก่อนบนสมบัติโลกนะนม่พระองค์กาเนี่ยพระอกค์กรอกว่าพระองค์กรอีกว่า ความโชติว yes ่วมาถึงแล้วผ so. th ุนพอนผุนพอนสยบหน้ามาถึงแล้วพื่อนเหลือเพื่อะท้าเพื่อคุณกลัวหายนพฮะผัวหายจองนะฮะผไม่กอตายนามพระไทยถึงก็มาทำนะฮะสามารถเทียววัดได้นะแล้วาทึงท่านพระฤาษนะพุตทองบตรทอในดวงกิตนะเนีวุใจจีกขวักขวัลมไปสว่างนะ เมื่อสว่างแล้วจิตสงบนะนัน่นจิตสงบนะนัน่นเลื่ไดไ้ความสงบอันเลืนได้ระลึกสติฉันมิอาจรักษาความสงบดูเช่ น, นะชนนั้นเพ่งดูเช่นนั้นสวยความทุกดช่นนั้นนะความรู้ความขมาืนสอบมาดวงจิตนะนัน่นความไม่รู้ก็รู้ก็า ม, มาดูงจิตจแล้วไม่เห็นก็เห็นก็า ม, มาดูงจิดแล้วเป็นอริยจักรของธรรมะนั่น ม่นนะสำคัญมากคี่สุดมากคี่สตุตตอนนั้นตอนนั้นนะความนนามันรนูภาพมันรูภาพจิตสงบหนึ่งจิตไม่ห่วงชาดน่จิตมีอำานาจหนึ่งจิตไม่ได้ชาติภาพหนะึนะ่งมาจนะนะิตมีรัศมีอน่าเป็มกลางนะ้ใครไม่อยากได้เนละยเขาแยกได้ทุกคนออกได้อย่ยงได้ ทั้งบำมศึกษาหบบอย่างใดอย่างที่กล่าวมานะจึงปาชนะนะน่ให้เมื่อใครยนัน น, นะนดเวละฤีธุดังระยะนี้ญาติาสิรียงญาตันเลือนนะคนหญินะคนหญิงนะคันโทดนะ้าคุมาคุณเลยนะ จะให้อัปูจังไรถ้าอัมมนุษย์อยู่ในทุนนี้จะได้อยู่ด้วยความสุขนั่นนี่เทียงอัตมาจุนตะกอตะกอนะอาจจะมากระเพลนห่วงนแล้วทีนี้นะอัมมนุษย์ทาไห่นะอำนาจคณะสงฆเนี่ไม่ใสงฆ์นะคนเรเรียกว่าคณะนะคณะอุโบสถนะ เจงาชาน่นะเจ้าชอามนุย์นีออกจากที่นี้นะให้อยู่ได้ไปพวกเทอนะนั่นให้ออกไปนนะจากที่นี้นะแลท่านทวกลับคนอยู่นะ้ามันเพิฐาในใที่นี้นะให้ให้ใหวกเธอนะมารับน้โมนาฮะมารับน้โมนานะอามนุย์นนะรับน้ำโมนาไปให้ยากจากที่นี้นะ แล้ว่าวันที่เอหน้าจะโชติอยู่ไหมโชติอยู่ไหมนั่นหาว่าอยู่ในที่นี้นะคนหยู่ไม่ชอบแล้วท่านถกไม่ชอบแต่อาจาชอบอยู่้วแต่ท่านไมยนนนน่ยอา ม, า น, ออม น, น, นั่นนี่เถียงวันมะคุรนออกลั่นหนั่นเน่ละขออัมรุหนะที่ออกจากทีนีไปหาของให้ที่อื่นมาละมนบอนานั่นใช่แทนใช่แทน 2527นะสระเาเพร่า2526นะเป็นหนึ่งคืนสองเดือนคือเป็นวัน365วันนะเพื่อให้ท่านทั้งหลายเพิ่งอยู่อายุยืนน่ะเดือนหนึ่งเดือนหน่ ง, น, น, งนะ เะหว่างพระองค์มีคีวเวอยู่อันพระให้พอแนวะประชาชนร้อยปีนั่นม่พระอไม่อายุเปิดสติขรุภานนะนี่และวันหนะ้าขอท่านมีวันหน้าอนงามนามนะนั่นงาม อ, มองกลางนะเพาะมันมีโลกเ็นลาบอย่างดีงน ะ, น, ะ, ะนั่นประการนึ่งะท่านทั้งหลายขอมีอ นั่มีความสุขนอนยืนเดินพร้อมท่ามดท่างสกยังไม่พอใจ่อยมีกําลังกายกําลังาวชากําลังใจนะันกําลังทับนะทะําานการคให้เรียนยศห่งเลขค้าขายนยหนมรงยได้มาทํานายนอยู่ให้เป็นสมัยคนแรงไน้่ลมาลูหลานทนะ่านนะเรียนนสืบห้อสอบได้นะนี่ ไม่อรอนสิบการใม่ศักสิบนะเย่หม่อมาจา้กนาพระทัยของพุดดุกพุดเจ้าดุกลังต้นพล่ามหากรดาอย่างยิ่ง น, นะ้าบัดนี้ลดเงินใหนิพันอย่างที่กข่าวมาไายันโตธิยาโมลเาเัชชายันนานทวัต เอาบันดังขึ้นัำนาเกคือเส้หออาภีเสกเจ้าปรัอักขปตอาสีสนขตาลสมานฆาลัสบตตาลสมุทรตาสุานอสุมาตจายสุเบทง เพราธองเรียนชิญฮาชิญตแต่คำวาว่าเมียนนองกันไม่ได้ชิหฮาดได้โยนะอนอนนน ย, ยังเคย้ากันแล้วจะขานะแล้วจะขานะมุ่งคานมากุญานเหล็กคมมากเปมดมส่านคนนะ ออกมาเรืเลยออกมาเรื่อยๆ น, นะฮะนี่แหลไอ้เส้นหาเป็นสมมัตของเครือหายไปด้วยของเลนะือนแล้วก็ไม่ได้ชาลภาพมากเช้นด้วยนเะส้นหาเลยนะถาว่าใครรักษาดินดีดีแล้วนันเป็นคนหนุนเมองที่ดีเป็นคนหนุนเมืองที่ดี ไม่ได้องขคดุงพเดีอะไรนะคลางพุดผานะแล้วก็เป็นอ ม, มาสกเป็นอ ม, มาะศึกาที่ดูนัน้นเพื่อชาเพื่อสาสนานเป็นสมบัติยัง่งยืนในคลางพุดผานะ ม, มาพระยาที่จะสร้าพาริยาเธอนธานฐะานะ เส้นห้านามละทายพระองค์ละาการทายะนครในกรุงราชคือห้าไม่ดาไม่พลอยเส้นห้าแม่กรรมบุตรเสพไม่เทนะกูสนกรรมบทติเสพนาวเสขากรรมบุญการบุญนดะีขากรรมบุญการม พระยาบุเสนาโกศลก็เหมือนกันอยู <tr setting gar lands> ่มืองสวัฏเถอท่านพวกนี้นะยินได้รักษาศีนะลักษาศีนะเป็นตนบาตของศีลนี่ัตมาตของศีลน่สมาธิเลกปัญญาเนี่ยทำลายดนดวงจิตที่สะอาด สีส่งสีส่งมาสส่นั่ิญาการะทบกัณณะอุรกระทบนาสวรรเลยลุยกระทบนพพาเลยลวย้องนาเชื่เนี่ยเมลัยาตบาปมากที่สุดมากที่สุดเป็นสมมาตรองกะหัตทิ้งไม่ได้สินะข้อเมียนะักษาสีลด้ัยความเชื่อนี่ยนะ หากว่าไปไปวัดนะไม่เลี้วาตที่ไปวัดนะมาในนก็สเสอยู่ไรอะไรนะเพื่อไปแต่เสดนยนะไม่เลี้วาดไปวัดนะจมทานเสด็จตอหน้าพระพุทธรูปเลยนะรักษาศิียเนี่ยนี่อาตมาก็บอก่วยว่าเสดนนนะ เมอไดชานื้อผาามาหอมในกลิ่นหอมนะหอมในกลไลหอมในกลไลนะั้นหอมในกลไลนะ่าหมายความวาหอมไปถึงเทวโลกนอนทีเดียวไนดะ้ข้างบนข้างล่างหอมไปถึงอวัยวะนอนนหะนะ้าลิ่นดอกม้ทั้งหลายไม่หอมบางทีขนาดนะั้น ตอนด้เวลาช้าเนมนุษย์โลกก็ไม่เดนลงไปถึงไกนันแล้วถึงเวลาเย็นกหหายไปอากาศคนณจะถึงมืดสะโเกินเส้นไม่ได้เน่ปกติดแล้วก็สมตินั้นเพราะทาพศสรนะนมนุษย์สมัดก็คือพลศาสิน สวันค์นนนมสมบัติก็เกิดพลเศษนะเป็นบางครงตนนั้นนิพพานก็เกิดสมมัติเดินกล่าวคื อ, น, น, น, อนิพพานกับเกิดพลาดเศษนะแม้จะเศษนะได้อุปการหนึ่งคล้ายก็บเครื่องบูดับนะเคร่องบูดับโลคีว่าเขาเพศพอเพื่อความงามของโลกีนะ นั่นไม่ประสอการ์คร่องพะดาสูงส่งหัองค์เห็จมาผนวกภาพไม่ได้ป้องกันเอาไว้ภุมได้เื่าลกไม่ก่อแต่ถ้าสุรการไม่กอ่อถ้าศีลหนางนป้องกันได้นะนทีเดียวแลวอุปภารังสนเสลแมเครื่องประดับประดับ ได้ทูกไวเดยวก็งอไอความเป็นเด็กรักสาสินนะถ้ว่าลลความงามเกิดคนนะนั้นแะการองค์คุณมลวก็งามคุแก่ก็งามนั่ความงามอันไดนไอองสมเล็ดมาบุญเมียากชุนชัยมากที่ ยิ่งกว่าความงามของเครือหัสนะเครอชายกันทัพเงินกินดานะนัน่นโซกินโชคลิ้นไม่ได้เนะี่ยประกาศนะนังนีละขอให้สนใจห ม, มากเรื่องไหนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหญ่บคนที่สเสนอกันนะ แม่ลูกอุคทขานเลยนักหญิงทายเจอแตกผควแ ท, น, ไปไป น, ทนแม่ผัวก็งามเมนียก็งามทนเพราะอำนาจดวกุศลุงค์ขันท่าองท่ า, านได้สร้างสมมาไอความงามเกิดขึ้นสุดนั้ น, น, า น, นาเนี่ยมาชนทุนชายมาพิโสนะความงามอันเนี้นยนะ ผลิออกมาจากเรื่องสาธนาเนี่ยแ่นั้ น, น, นองค์สมเด็จพระพรมีธพาคุปพานไปแล้วเนี่ยมาจาขององค์สมเด็จพระพรมีธพาคราคาสูงคขึ้นมาก็ยทรมานไม่ทิ้งไปได้ไม่พูดมาพูดสูนะทำสังฆยายน้อยกรว้อพร้อมอักอัคะพยัญชนะเนี่น สำคัญมากเมื่อทองนะเรื่องโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ปจาเป็นของเธอเด็ดเดียวเป็นของท้าเขาลบมากที่สุดนี่และของไ้ต่างอกต่างใจคนเลือกขวาก็ไม่งามเมียก็ไม่งามทุกคนเราพาดนะ เนโถเป็นอะไรอวัยวนะเครื่นะ น, นั่ออนแขนบวชนี่นะหัวหมวกหรือตาบอดนะนะนั่นหรือนะแขนไม่มังบวนะเป็นคนเขาสิมาได้ชาก่อนแล้วนั่นะแล้วก็มีหมาก็มาก่วนะนะ่ะมีนาคนาานาขึ้นหัวนะ่นไะม่ประกอบนะไอ้พวกนี้นนะนั่นะมีประกอบูุสนทุสน ผลน้ำหนาทุกสายหนะ้านะให้ได้รับความหนักบาตให้รับความนะเร็วสามเร็วสามนะไม่งาน ใ, ใ, ใครๆก็ต้องงามรักษายความงามต้องการได้งามทั้งา น, นซึ่งว่าที่